หจิตตะสมุฐานะทุกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังคาวาระเหตุ ป, ปัจจัยร้อยแปดสิบหกสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองและจิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันธ์สอง ในปฏิสนธิขณะขันสองอาศัยขันหนึ่งที่มีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองอาศัยมหาโพธิรูปหนึ่งจิตแตสมุทฐานรูปที่เป็นอุปาทยรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวะธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตอาศัยขันที่มีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ จิตและกระตัตารูปอาศัยขันที่มีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวะธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยได้แก่ขันสองจิตและจิตแต่สมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่มีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิคณะขันสองจิตและกระตัตารูป ทำขันหนึ่งที่มีจิต เ, เป็นสมุทฐานเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองร้อยแปดสิบเจ็ดสภาวะธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุสทฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะกระตัตตารูปอาศัยจิตเกิดขึ้นหาไทยวัตถุอาศัยจิตเกิดขึ้นจิตอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นและถึงอาศัยมหาปูตรูปหนึ่ง กระตัตารูปที่เป็นอุปาทัยรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่สัมปยุตตะขันและจิตตาสมุทฐานรูปอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสัมปยุตตะขันอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันที่มีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยหาทัยวัตถุเกิดขึ้น สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะสัมปยุตตะขันและกระตาตารูปอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะจิตและสัสมปยุต because, ตะขันอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นร้อแปสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐาน และที่ไม่มีจิตเป็นสมุดฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยได้แก่ขันสองและจิตตสมุดฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่มีจิตเป็นสมุดฐานและอาศัยจิตเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะขันสองอาศัยขันหนึ่งที่มีจิตเป็นสมุทฐานและอาศัยจิตเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะขันสองอาศัยขันหนึ่งที่มีจิตเป็นสมุทฐาน และอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองสภาวะธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวะธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจได้แก่ในปฏิสนธิขณะกระตัตตารูปอาศัยขันที่มีจิตเป็นสมุทฐานและอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกระตัตตารูปที่เป็นอุปาทยรูปอาศัยขันที่มีจิจตเป็นสมุทฐาน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 ที่มีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะอารมณะปัจจัยได้แก่จิตอตตาศัา ย, นนขาา ย, ายขันที่มีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้น เพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันสองและจิตอาศัยขันหนึ่งที่มีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะร้อเกสสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมทีท่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะอ า, ารมณปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะจิตอาศัยหาทายทวัตถุเกิดขึ้น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 และถึงาสายขันสองหนึ่งปัจญานุโลมสองสังคยาวาระสุทไนรยเก้าสิบเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอานันตระปัจจัยมีเก้าวาระสมนันตระปัจจัยมีเก้าวาระสหชาติปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีเก้าวาระ นิสียปัจจัยมีเก้าวาระอุปาณิสียปัจจัยมีเก้าวาระอุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระอเจวันปัจจัยมีห้าวาระกรมมปัจจัยมีเก้าวาระวิปากะปัจจัยมีเก้าวาระอาหารปัจจัยมีเก้าวาระเอินทรียปัจจัยมีเก้าวาระชานะปัจจัยมีเก้าวาระมัคคะปัจจัยมีเก้าวาระสามัญตปัจจัยมีเก้าวาระ ชกปัจใจมีปัจใจและก้าวาระอวิคัตตปัจใจหนึ่งก้าวาระอนุโลมจบสองปัิยะปัจญิยะหนึ่งวิพังควาระนะเหตุก ป, ปัจใจร้อยเก้าสิบสามสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะนะเหตุก ป, ปัจจัยได้แก่ขันสองและจิตตาสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุ ซึ่งมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นในเหตุุกะขันสองอาศัยขันหนึ่งที่มีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองอาศัยมหาโพธิรูปหนึ่งที่มีจิตเป็นสมุทฐานจิตแต่สมุทฐานรูปที่เป็นอุปาทิยรูปอาศัยมหาโพธิรูปเกิดขึ้นโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทัจจะ อาศัยขันที่โสหรักโด้วยวิจิกิจฉาและที่โสฮรักโด้วยอุทะจะเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวะธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะนเหตุตุปัจจัยได้แก่จิตอาศัยขันที่ไม่มีเหตุซึ่งมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นนเหตุตุกะจิตแลกดัตตารูปอาศัยขันที่มีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้น สภาวธรรมที่มีจม clapping, ิตเป็นสมุทฐาน แ, และท wow ี่ไ <t> ม่มีจิตเป็นสม Gary, ุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะในเหตุตุปปัจใจได้แก่ขันสองจิตและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุตุกะ้อเกสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐาน อาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุธฐานเกิดขึ้นเพราะนาเหตุตุปั จ, จได้แก่ในปฏิสนธิขณะที่เป็นนเหตุตุกะกระตัตตารูปอาศัยจิตเกิดขึ้นขวทัยวัตถุอาศัยจิตเกิดขึ้นจิตอาศัยขวทัยวัตถุเกิดขึ้นและถึงอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งพึงเพิ่มข้อความจนถึงอ า, ญญาศัยสัตตพรมสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุธฐาน อาศัย ส, สภาวะธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะน่เหตุ he, ปัจจัยได้แก่สัมปยุตตะขัน์และจิตตสมุทฐานรูปอาศัยจิตที่เป็นนเหตุกะเกิดข <Wow. S 2> ึ้นในปฏิสนธิขณะที hmm. <Mon. S 1> ่เป็นนเหตุกะและถึงอาศัยจิตในปฏิสนธิขณะที่เป็นนเหตุกะขันที่มีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นโมหะที่โสหรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่โสหรคตด้วยอุทจจะ อาศัยขันที่โสหรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่โสหรโคดยอุทะจะเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวะธรรมทีท่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพระาะน่าเหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะที่เป็นน่เหตุกะสัมปยุตขันและกตตารูปอาศัยจิตเกิดขึ้นในขณะปฏิสนธิจจที่เป็นนเหตุกะ จิตและสัมปยุตตะขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นร้อสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันสองและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งมีจิตเป็นสมุทฐานและอาศัยจิตเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นนเหตุตกะ ขันส zu, องอาศัยขันหนึ่งที่มีจิตเป็นสมุทฐานและอาศัยจิตเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุตุกะขันสองอาศัยขันหนึ่งท uh> ี <S 2> <S 2> ่มีจิตเป็นสมุทฐานและอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองโมหะที่โสหรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่โสหรโคด้วยอุทจจะอาศัยขันที่โสหรโคด้วยวิจิกิจฉาที่โสหรโคด้วยอุทจจะ และอาศัยจิตเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวะธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะที่เป็นนเหตุตุกะกระตัตตารูปอาศัยขันธ์ที่มีจิตเป็นสมุทฐานและอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุตุกะกระตัตตารูปอาศัยขันธ์ที่มีจิตเป็นสมุทฐาน และอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นในเหตุุกะจิตอาศัยขันธ์ที่มีจิตเป็นสมุทฐานและอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวะธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะนเหตุกปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะที่เป็นในเหตุทุกะขันธ์สองและกตัตรารูป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 เพราะอารรมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานนรูปอาศัยขันที่มีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นและถึงอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่มีจิตเป็นสมุทฐานจิตตสมุทฐา น, นรูปที่เป็นอุ ป, ปาทยรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐ า, า, า, า, านเกิดขึ้นเพราะนัอารรมณปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะกระตัตารูป อาศัยขันธ์ที่มีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นร้อเสจสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะณนะอรมณปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะกระตัดตรูปอาศัยจิตเกิดขึ้นหาไทยวัตถุอาศัยจิตเกิดขึ้นและถึงอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาสัตตพรม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 และอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นยอ่อสองปัจจะยะปัจจนยะสองสังขยาวาระสุทไนร้อยเก้าสปณเหตุปัจจัยมีเ้าวาระณอารมณปัจจัยมีหกวาระณอธิปติปัจจัยมีเก้าวาร ะ, ะอรณอนันตรปัจจัยมีหกวาระณสมนันตระปัจจัยมีหกวาระณัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระ นอุปาณิสยปัจจัยมีหกวาระนาปูเรชาตะปัจจัยมีเ้าวาระนปัชชาชาตะปัจจัยมีเ้าวาระนอาเจวะนาปัจจัยมีเ้าวาระนกรรมะปัจจัยมีสี่วาระนวิปากปัจจัยมีห้าวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียะปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานะปัจจัยมีหกวาระนมค้าปัจจัยมีเ้าวาระ นัสัมปยุตตปัจจัยมีหกวาระนวิปยุตตะปัจจัยมีหกวาระโนนัติปัจจัยมีหกวาระโนวิคตะปัจจัยมีหกวาระสปัจญานุโลมปัจจนียะร้อเก้าสิานอะระมณะปัจจัยกับเพรุปัจจัยมีหกวาระนอธิปติปัจจัยมี9้าวาระละถึงนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากะปัจจัยมีห้าวาระ นสัมยุญตปัจจัยมีหกวาระนวิยุญตปัจจัยมีห้าวาระโนนติปัจจัยมีหกวาระโนวิคตปัจจัยมีหกวาระ 4. ปัจยปัจญียานุโลมสองรอารามณะปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยมี9้าวาระอนันตระปัจจัยมีเ้าวาระสมนันตระปัจจัยมี9้าวาระและถึงปุเรชาติปัจจัยมีห้าวาระ อาเสวณะปัจจัยมีห้าวาระละถึงชาณะปัจจัยมีสามวาระมัคคะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระ้าชาตะวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ จิตตสมุทฐานะทุกะสปัจยะวาระหนึ่งปัจยานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจใจสองยหนึ่งสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานทำสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระเหมือนขปฏิจจวาระสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานทำสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐาน ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ hey. well, ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนที่ขณะเหมือนกับปฏิจจวาระสภาวะธรรมที ías, sure ่มีจิตเป็นสมุทฐานทำสภาวะธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ซัมปยุติขันและจิตตาสมุทฐานรูปทำจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่มีจิตเป็นสมุทฐานธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะเพึงเพิ่มเป็นสองวาระสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานทำสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตและสัมปยุตตขันธรรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิเปปดขึ้นในปฏิสนธิขณะมีสองวาระเหมือกนกับปฏิจจวาระสองสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐาน ทำสภาวะธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยได้แก่ขันสองทำขันหนึ่งที่มีจิตเป็นสมุทฐานและทำจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองขันสองทำขันหนึ่งที่มีจิตเป็นสมุทฐานและธรรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองในปฏิสนธิขณะเพิ่มเพิ่มเป็นสองวาระ เหมือนกับปฏิจจาวาระสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานธรรมสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยได้แก่จิตทำขันที่มีจิตเป็นสมุทฐานและธรรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะเพิ่งเพิ่มเป็นสามวาระเหมือนกับปฏิจจวาระสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐาน ทำสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสองและจิตทำขันหนึ่งที่มีจิตเป็นสมุทฐานและธรรมทภยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิเดกขึนข้ น, ล ะ, น, นละถึงทำขันสองในปฏสิสนธิขณะเพึงเพิ่มเป็นสองวาระเหมือนกระปฏิจจวาระอารมณปัจใจสองยสามสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐาน สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยมีสามวาระเหมือนขปฏิจจวาระสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานทำสภาวธรรมที up, open, kind of like ah ่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ how, ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่จักขุวิญญาณทำจักขาญาติณะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทำกายายาตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น จิตธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานทำสภาวะธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณ์ปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่จะห่อรโคด้วยจักรวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่จะห่อรโคด้วยกายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสามปยุตตะขันธ์ทำจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ขันธ์ที่มีจิตเป็นสมุทฐานธรำใหยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะเพิงเพิ่มเป็นสองวาระสภาวะธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานทำสภาวะธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณ์ปัจจัยได้แก่จกักขวิญญาณและสัมปยุตตขันธ์ทำจักขายยตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำกายายตานะ จิตและสัมยุติขันธ์รำอทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสองสสภาวะธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานทำสภาวะธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันธ์สองทำขันธ์หนึ่งที่มีจิตเป็นสมุทฐานแล mm. ะทำจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันธ์สอง ขันสองทำขันหนึ่งที่มีจิตเป็นสมุทฐานและธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองในปฏิสนธิขณะเพิ่มเพิ <ton> ่มเป็นสองวาระสภาวะธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานทำสภาวะธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอรรมณ์ปัจจัยได้แก่จักขูวิญญาณทำขันที่สหรรคด้วยจักขูวิญญาณ และทำจักขายาตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันที่สหรคตด้วยกายวิญญาณจิตทำขันที่มีจิตเป็นสมุทฐานและธรรมอภัยนนภวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานทำสภาวะธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมะณปัจจัยได้แก่ขันธ์สองและจักขวิญญาณ ทำขันหนึ่งที่จะหัรคตรด้วยจกักรวิญญาณและทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองที่จะหระคตรด้วยกายวิญญาณขันสองและจิตทำขันหนึ่งที่มีจิตเป็นสมุทฐานและธรรมทาทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองในปฏิสนธิขณะยอ่อหนึ่งปัจจยานุโลมสองสังขยาวาระสองอห้า เหตุปัจจัยมีกลาวาระอารมณ์ปัจจัยมีกลาวาระอธิปติปัจจัยมีกลาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละกลาวาระอวิคตาปัจจัยมีกลาวาระสองปัจจยะปัจจนียหนึ่งวิพังขวาระน้เหตุปัจจัยสองหสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานทำสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะน้เหตุปัจจัย เพิ่มเพิ่มเป็นก้าวาระทั้งหมดเหมือนกับปฏิจจวาระเพิ่มเพิ่มปัญจวิญญาณสามวาระเท่านั้นที่มีโมหะสองปัจยะปั จ, จนิยะสองสังขยาวาระสุทนัยสองรเจ็ดเหตุ ป, ปัจจัยมีก้าวาระณาอารมะณะปัจจัยมีหกวาระณอธิปติปั จ, จัยมีเก้าวาระณอนนตระปัจจัยมีหกวาระ ณสมนันตระปัจจัยมีหกวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระณอุปาเสสยปัจจัยมีหกวาระณปุเรชาตปัจจัยมี9้าวาระณปัจฉาชาติปัจจัยมี9้าวาระณอเสวณปัจจัยมี9้าวาระณกรรมปัจจัยมีสวาระณวิปากปัจจัยมีเก้าวาระณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรีย์ปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณชาณปัจจัยมีเก้าวาระณมข้าปัจจัยมีเก้าวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีหกวาระณวิปยุตตปัจจัยมีหกวาระโนนติปัจจัยมีหกวาระนวิคตาปัจจัยมีหกวาระการนับสองอย่างนอกนี้และนิสยวาระพึงทําอย่างนี้หกสิบจิตตะสมุทฐานทุกะห้าสังสัตตะวาระหนึ่งปัจญานุโลมเป็นต้น สองสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานเกิดรกคนกับสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสองเกิดรกคนกับขันหนึ่งที่มีจิตเป็นสมุทฐานละถึงเกิดรกคนกับขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเกิดรักคนกับสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่จิตเกิดรักคนกับขันที่มีจิตเป็นสมุทฐาน ในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเกิดรคนกับสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองและจิตเกิดรคนกับขันธ์หนึ่ ง, first, ง, ท, งที่มีจิตเป็นสมุทฐานและถึ first, งเกิดรคนกับขันธ์สองในปฏิสนธิขณะสอง้เกสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานเกิดรคนกับสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐาน เพราะเหตุปาจัยได้แก่สัำปยุติขันเกิดรักคนกับจิตในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานเกิดระคนกับสภาวะธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันสองเกิดรัคนกับขันหนึ่งที่มีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดระคนกับจิตและถึงเกิดระคนกับขันสองในปฏิสนธิขณะย่อ เหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีห้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละห้าวาระอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานเกิดรกรกับสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานเพราะนเหตุปัจจัยเพึงเพิ่มเป็นห้าวาระสามวาระมีโมหะนเหตุปัจจัยมีห้าวาระนอธิปฏิปัจจัยมีห้าวาระ นภุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระนปชาชาตปัจจัยมีห้าวาระนอาศเวนปัจจัยมีห้าวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีห้าวาระนชาณปัจจัยมีห้าวาระนมขะปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระการนับสองอย่างนอกนี้และสัมยุญตวาระพึงทําอย่างนี้